ไม่ชอบพวนี้แต่ชอบกินนะจะลองศรัทธายมนี่อันดับหนึ่งความสามารถจาะตัวฉันข้าวสองมื้อต่อกันได้ฉันข้าวเพนบ้านนี้แล้วก็ไปฉันข้าวเพนนี้แล้วก็ประทับใจเจ้าภาพหมดเพราะว่าเกี้ยง<ๆ>เกี้ยงทั้งสองเจ้าเลยนะทีนี้พอมาวันที่สิบสามปุ่มพานี่เนี่ยครบครบรอบปีเกิดนะมาเนี่ย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 จะซื้อกดซื้อบาทซื้อผ้าไตทุกอย่างให้ไปทุรดงนี่ได้มาเพราะเด็กคนนั้นก็เลยตั้งให้เลยปียวัดในว่าผู้จเจริญผู้เป็นที่รักอะไรก็ว่าไปแม่นไหมโอ้ยแม่นอยู่ในท้องเที่ยวหลังมาหลงพี่จะคลอดวันไหนเอาไม่ไปถามหมอมาถามไถยความเชื่อของคนนะคนคนที่เชื่อก็เชื่อกินนะ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 บุรีก็สองตั้งบนวันนั้นน่ะใส่ยามากแตว่าหมดนี้ก็จะเลิกนะพอมาวันที่สิบสามเขาเปิดลงงพ่อเทียนวันวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาวันที่สิบสามกุมภาสองพันหรสาสิบห้าใส่ที่วัดวัดทับมิงขวัญตนมาอย่างแรกๆนะเปิดเทปเปิดก็ไม่เปิดมวนอื่นเปิดมวนสูบุรียม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 สูบไม่ได้แล้วไม่ใส่ปากเนี่ยก็อาปากให้มันแล้วก็ขาดไว้ท่านบอกว่าเอา้ามึงลองสูบดูสิสูบไม่ได้แล้วมันได้จุดไฟนะท่นบอกว่ากว่าจะได้สูบขบวนการขั้นตอนต่างๆโอ้โหเยอะแยะกาลังจะหยิบมายอมเว้ยพารทําไมรู้ว่าเราจะสูบบุหรีนะ่บ้างเออ ถ้าจะไปแอบสูบในกดก็ควรขมงออกมาเหมือนเดิมลยทำไงทีนี้พอดีโยมพ่อไปเยี่ยมโยมพ่อมาใกล้บ้านเนาะใกล้บ้านน้องบอลอยู่น้องบอลลังพูแล้วก็นี้ก็เป็นทาให้ควรก็เลยก็เลยออโยมพ่อเอาไปสูบหมดไหยใายเขาเนาะแค่นั้นยังไม่พอนะโยมเน่ยโยมพ่อก็นอนคืนที่นั่นมวนสองตอนเช้ามาอีกนะ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 ตั้งแต่วันที่สิบามานะโยมนะอาตมาไม่สูบบุหรีนะเพราะว่าจะสูบที่ไรก็คิดถึงมวลนั่นแหละเออเอาแต่ว่าหิวน้ำลายเหนียวโอ้โหต้องไปขอมะนาวที่โรงครัวนะเอามาบีบใ ห, ให้ให้น้ำลายมันหายเหนียวแล้วก็มีน้ำห่หวยก็เป็นนอนโนันก็ไผ่เพราะว่า ได้กดใหม่ภูมิใจกดไม่ใช่กดห้อยนะเป็นกดเขาเขาทำหลักให้ยาวเมตรกลางออกมันสองเมตรนอนสบายสบายนอนข้างหลักไปต่อไกลๆกลัวเขาจะว่าไม่เป็นภ้ากรรมฐานไนะกลๆขอไพ่ฝั่งทางโน้นแต่ใจกลัวมากนะเนี่ยได้เจอหลวงพ่อมาหาท่านก็ไม่พูดอะไรนะท่านไม่สอนอะไรนะตอนนี้ท่านบอกไปหาอาจารย์วิมลอาจารย์วิมล น, นี่เป็นคนสอนสร้างจางังหวะ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 นะบาทเก้านิ้วเลยโอ้โหใครก็มองเพราะเขาเล็กนิดเดียวเจ็ดนิ้วบ้างอะไระพรรษาเยอะนะเจ็ดพรรษาแล้วนำะมานะ่ยเออพรรษาเยอะเออต้องไว้ลายหน่อยแล้วเป็นคุณครูด้วยใช่ไหมไปเขาก็เห็นตัวใหญ่ๆก็แต่ก่อนสายสายงานเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เลียงพรรษาเนียเอาหุ่นบ้าเอออาจารย์ขอไปก่อนตัวใหญ่ไหม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 แต่เอาผมตั้งไว้เป็นปู่ชนียบุคคลนะเออพอเขาเห็นจะได้เกรงใจบ้างว่านี้รุ่นแรกรุ่นแรกขังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออส่วนอะไรลึกซึ้งก็ไปถามครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็มีประโยชน์ได้เห็นนั่งเฝ้าตามตาพิปิมี่ก็กลัวอยู่ได้เนาะเออเอาแค่นั้นพอเพราะว่าเป็นคนอยากไม่ไม่ละเอียด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 ตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงดน้ยหลับตาหลับตาคานออกมาดน้ยถ้าลืมตาควรมจะเจอยิ่งเดือนง่ายๆนะไปอยู่ตอนเดือนง่ายๆไปอยู่ไอ้ถ้โดยโตนที่เชียงใหม่ไาจารย์สักดาท่านทำทางจงกรมในล่องน้ำเดินดีๆแล้วก็นั่งได้ด้วยเป็นเก้าอี้ในตัวอยู่ใกล้ๆตาม้ทำไมครับโอ้แตทำไมองค์นี้ไม่กลัววะ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 แล้วก็เป็นเป็นโรคดทซีดวงเนาะกินกาแฟเยอะกินกาแฟเยอะนั่นตอนแรกได้กินเยี่ยวเพราะหลวงพ่อมหาบอกให้กินเยี่ยวแต่ก็เป็นบุญแน่ออมกินเยี่ยวมันดีตรงที่ว่าไม่กลัวผีกลางคืนมาไม่ออกมาเยี่ยวเลยมีเจ้าอลีไซเคิลอยู่นั่นแหละเออหลวงพ่อนี่แน่นอนน่าจะบอกแต่แรกๆจะไม่ต้องกลัวนานเลยเออ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 เบนด้าห้าร้อยเม็ดเดียวครั้งเดียวอาตมาไปเจอสิบองก็ใส่ยาใส่บาทสิบองคนอื่นตามหลังไม่ได้กินเนี่ยถ้ายาข้าหยาดึ้นไขยเนี่ยกินคนเดียวกลัวพยาดอู้นมันคงจะเยอะเพราะเรกินมาหลายปีเนยกินดิบทางนั้นจากนั้นมาอาตมาเลิกถ้าไปร่วมวงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ยวัดพนนหรืออยู่ที่ไหนก็ช่างถ้าในวงถ้ามองเห็นเนื้อดิบอาตมาไม่ร่วมนั่งเลย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 โอ้โยกมือถ้าสู่บุหรี่เนี่ยอาตมาว่าจะลําบากมากเนาะจุดชีพแล้วก็จะมาเนี้ยลงมาแล้วก็จะมาจะบอกว่าหลงเพืเทียนได้ไหมนี่เนาะเออมันต้องชีพอะ่ะมาปั๊บพิดไม่ดีก็จะไหมกีวอนยวอย่างไขึ้นมาก็จ ะ, จะมานี่รูปมานี่โอ้ยมจินตนาการเนี่ยคงจะเป็นสำนักใหม่เลยแนหะ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 เวลามีคนมาขโมยของมันก็จะดูก่อนว่าเราเห็นไหมพอเราทําเป็นไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเรารู้แล้วแต่เราจะจับขโมยทาเป็นไม่เห็นสมบัติอยู่ทางนั้นก็ทําเป็นหันไปทางนี้นะมันก็จะย่องย่องมาทาท่านน้ท่านนี้เราไม่สนใจมันก็จะแอบปับ๊บพอมันจับปุ๊บเนี่ยเราหันไปเลยคือความตั้งใจคือที่ตอนแรกเราสังเกตดูแล้วพอมันเกิดปุ๊บเราหันไปดู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 ไปถ้าจินได้อาตรมาเนี่ยนั่งไงเขากำลังปลูกตูกเรียนใช่ไหมความรู้สึกนะคนที่ทำอะไรแล้วมันมันมันจะหลบังเกง่ายมันจะหลบอยู่ตรงนี้ก็กลัวเขาเห็นนะ่ะท่านวงังมันจะไปอยู่นุ่นผมชอบวิเวกชอบอยู่คนเดียวเนะ่เออไปพอไปแล้วไม่มีใครเห็นหมึงตามสะตายอาจมาก็ไปไป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 ไม่สองรอยี่สิบเจ็ดอกมาอยู่ตรงนี้กันเองนะบอกโยมโสภาอมถ้าอะไรไม่ให้ฉันอย่าเอาขึ้นโต๊ะนะกนันณ้าอะไรไม่ให้ฉันอย่กขึ้นโต๊ะข้าขึ้นโต๊ะจะามาฉันหมดนะถือว่าถาวายเล้ยงเนี่ยเขาจะต่อยเอาอยู่บนรถรถทัวร์นะเป็นผ้านี่นะเป็นนั่งกับเขา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 โอ้เท่านั้นแหละไม่คุยกับอาตมาสุดทางเลยแต่ดีมันไม่ต่อยเนาะอาตมาว่าเออก็ไม่เห็นติดคอน่ยโยมก็ลงทุกคำเนาะโอ้โหไม่ตายก็บุญแล้วโยมเ อ, อ้ได้มาเล่าเนี่ยขนาดนั้นนะแต่แต่ว่าถามว่าทุกความความทุกข์ที่มันมีมันมันก็ไม่เท่าไหร่คือเราาจจะเป็นว่าเราเป็นคนไม่สีเลียนเนี่ย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 แต่ถ้าคุ ณ, คณวางเสรยจแล้วนะใช้ผมเลยนะผมเยียกง่ายๆว่าคุณเป็นใจผมเป็นกายกาแล้วกันนะเอาลงไปไม่มีตายยิ่งทำงานยิ่งแข็งแรงคนเนาะใช่ไหมอะไรเงี้เป็นประมาณนั้นเพราะนั้นก็การะยานมิตรส่วนหนึ่งคือแม่ครัวเนี่ยตลอดเลยเวลาแตมาทอแท้นะรักผู้หญิงนะแ ต, ตมาเป็นคนรออักผู้หญิงเอาไม่รักไงผู้หญิงเลี้ยงเนาะ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 เป็นเจาวาดีรัดเวกัสแต่ตะมาไม่ชอบฝรั่งคือตมาชาตินิยมเป็นชาตินิยมคยือถ้าตะมาไปต้องมีข้าวเหนียวไก่ย่างสบตําถ้าไม่มีตะมาอยู่เอาตอมาจึงรู้จักโยมวัดลาวมีไช่บ่เอเลยแต่ไปกินผักกรถินที่วัดห่อข้าวไปกินเพราะดันมีข้าวเหนียวแต่ที่รัดเวกัสก็เก่งนะโอ ย, อยากกินซุปนหน่อไม้มีเลยอยากกินแกงเห็ดพอแกงเห็ดทอด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 ฮอโอ้ยแอบไปเห็นเองโอ้ยอันนั้นของชอบของชอบนะถ้าเป็นข้าวเหนียวนี่ต้องตีบเบลมกองใหญ่ใหญ่หแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ค่อยย่อยเพราะว่าไปไปเป็นคนไทยมานนะทีนี้อาตมาก็เลยเอา้าตามเวลากําหนดเล้แล้วยี่สิบแตไม่เป็นไรเนอะเล่าได้เนาะเนี่ยนายกอาตมาจะกลับได้วนี้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 บางทีก็โดนกอดบ้างเพราะวัฒนธรรมไปใหม่ๆบุกเบิกโอล่าบางทีก็กอดแจ้มตุ้ๆอย่างนี้ก็มีนะโยมเอาตมาก็ขนชิงเ <c oughs> พื่อนเป็นเจ้าวาดัตรสีลังกาก็าบอกเอก้อกอดเลยไม่เป็นไรสีลังกาบอกไม่ได้โยมเขารู้จักอันนี้เป็นพระนะตอนไปเรียนด้วยกันก็ขเขาก็ถามว่าเป็นพระพ่อคุณทำงานอะไรยัว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 ครับแต่เราก็เลยเอาแบบนี้เลย good กูดม้อนมันบอกกูดม้อนี่ยผมก็ถามว่าทำทำไมเราก็ได้มีอธิบายวัฒนธรรมนะบอกว่าเนี่ยถ้าทำคุณเนี่ยคุณทำอย่างนี้นะไปบ้านฉันเนี่ยอเขารักท้ายเลยบัตหลังมามันก็เห็นเราวันก็กูดม้อนหนิ่งนะเออดีขึ้นมาช่วงหลังมาอาจะมาอยู่แค่สี่เดือนรับกระทีมเสียดโยมส่งค่ารถเยอะก็เลยมาเลยไม่กลับเลย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 พอปวดแลวโอเรื่องอะไรจะสืบเนาะทำงานกวอาจะได้แต่ละบาทเห็นผ้าอยากจะใส่ทำบุญอย่างนี้ก็นึกถึงหน้าสลด อ, อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่กล้าทำเนี่ยเ ข, เ, ข เ, ขเขาอดแล้วก็ก็จะว่าเนาะเนี่ยอยางนั้นเลยเข้าใจเลยครับว่าศรัทธาของโยมนะทำบุญด้วยศรัทธาแอบคนให้เยอะๆแสดงว่าไม่ธรรมดานะโยมนะ